ค่ยพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีการบวชมันเป็นการฝึกตนให้เป็นคนอ่อนโยนอ่อนน้อมถอมตนดูตั้งแต่อิริยาบท ท่านจะเป็นคริหัดอยู่นั่งก็ไม่ค่อยได้นั่งพรกะเทียบเรียบร้อยอะไรเลยนั่งก็นั่งตามสบายส่วนมากคนนั่งเก้าอี้กันสมัยทุกวันนี้ <c oughs> หรือว่านั่งคัดสมาธิอะไรตามชอบใจ เมื่อเราเข้ามาบวดอะไรอย่นี้เรามาฝึกหัดอิริยาบถนั่งก็เป็นระเบียบเรียบร้อยในนีนะ้เป็นอาการแสดงความเคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมอจะเดินเหินไปมาทางไหนก็ต้องนมัสสวรนะ ไม่เสียกิริยามารยาทกระโดดโรดเต้นเหมือนอย่างคาราหัตนั่นก็ไม่ได้เนีย่ยนี่นะจงว่าการบวชมันดีเป็นการฝึกขัดให้เป็นคนรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไอคนแข็งกระด้างนั่นไม่ค่อยมีใครชอบสังคมเขาก็ไม่ชอบ ท่านบางคนไม่ได้ฝึกตนนะเมื่อเข้าสั ง, ง, งคมแสดงกิริยาการแข่งกระด้างกระเดืองไม่อ่อนน้อมถ่อมตนทาให้คนั้งหลายเขารลังเกียดเอาไอ้นี่มันถือดีมันอวดดีพออย่างนี้เนะี่ยคนแข่งกระด้างเนี่ยมักจะได้ประสบอันตรายมีข่าวลงในหนังสือพิมพ์บ้างวิทยุบ้าง อยู่ไหวบ่อยเมื่อพี่นาดูแล้วมันก็เกิดจากการที่ไม่ได้อบรมฝึกฝนกายวาจาใจให้อ่อนโยนอ่อนน้อมนี่แหละเลยฝึกได้ฝึกตนลปล่อยให้กิเลสมันส่งเสริมจิตใจแข็งกระด้างกระเดืองเมื่อใจกระด้างแล้วอาการกายวาจามันก็กระด้างไปตามกัน ตปอย่างนั้น <c oughs> มันไม่มีทางอ่อนโยนอันนี้แข็งต่อแข็งปะทะกันเข้ามันก็ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทเข่นฆ่ากันตายเยอะแยะก็เพราะความไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อกันและกันนี่แหละเป็นมูลเหตุให้เกิดฆาตกรรมต่างๆนา น, น, น, นาชีวิตสมควรจะอยู่ไป นานสร้างบุญกุศลความดีให้เจริญขึ้นในตนก็ไปไม่รอดเพราะความไม่ได้ฝึกตนปล่อยให้เป็นแข็งกระด้างกระเดื่องใน อ, อย่างนี้พากันพิจารณามันเห็นโทษของความแข็งกระด้างกระเดื่องเหล่านี้ <c oughs> เมื่อเห็นโทษแล้วเราก็จะมาภาคภูมิใจ ในการที่เราได้เข้ามาบวชแล้ได้มาฝึกตนให้เป็นคนอ่อนน้อมอ่อนโยนด้วยกายก็ดีด้วยวาจา ก, ก็ดีด้วยทั้งจิตใจก็ดีมูนี่ถ้าอยู่ไม่ได้ในศาสานาซึกออกไปก็จะรู้จักรลบรู้จักหลีกจากความชั่วทั้งหลายได้เห็นคนอื่น ทำชั่วแข็งกระด้างกระเดืองตนก็ไม่ทำตามเขาเพราะตนได้ฝึกผลตนมาตอนเป็นนักบวชเห็นเขาดื่มเหล้าเมาสุราก็าไม่ปาดขนะาพอได้พิจารณาแล้วเห็นโทษของมันมาตอนพอมาบวชเรียยว่าถ้าผูดด้ใดไม่ประมาทในคำสอนของพระเจ้าแล้ว การบวชนี่นับว่าทำให้คนเราดีขึ้นเยอะแยะเลยแล้วก็มีชีวิตยอยู่ปราศจากเวรภัยศัตรูต่างๆเพราะว่าเมื่อเป็นนัก บ, บวชนี่ยอมพิจารณาเห็นความเบียดเบียนการเป็นทุกข์ในโลกความไม่อ่อนน้อมถ่อมตนนี่เป็นภัยต่อชีวิต อย่างร้ายแรงเมื่อผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างนี้แนละ้วมันก็หวางตนลงไม่กระด้างกระเดื่องชีวิตของผู้นั้นก็ปสัสจจกเวรภัยศัตรูคอยจองร้างจองผลนันเพราะว่าตนสำรวมกายวาจาใจอยู่ไม่ได้อิจฉาเบียดเบียนใครไม่ได้ทำใครเป็นทุกข์เดือดร้อน ม, มันดีอย่างนี้การบวชอย่างว่าให้พากันเข้าใจผู้ที่ไม่ได้บวชเมื่อได้เข้ามารักษาศีลห้าหรือศีลโอวะสดเข้าไปอย่างนี้มันก็ได้ฝึกกายวาจาใจอ่อนน้อมอ่อนโยมอ่อนโยนต่อศีลต่อธรรมไปมันก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ อยู่คลองเรือนก็อยู่โดยความสุขสวัสดีไม่มีเวรไม่มีภัยเอาตัวรอดจากเวรจากภัยต่งตางๆได้มีพากันพิจารณาให้มันเห็นคุณค่าแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีเป็นอเนกประการสำหรับผู้ที่ตั้งอกตั้งใจสติบัติตามจริงๆ อันกิเลสตัณหามันจะเบาบางออไปจากจิตใจได้ก็เพราะความฝึกตัวให้เป็นคนเคารพรบโนมอ่อนโยนอ่อนน้อมนี่แหละเป็นบทบาทเบื้องต้นก่อนเลยก่อนอื่นนะเมื่อทิฏฐิมานะความแข็งกระด้างต่างต่างเหล่านั้นมันบรรเทาลงแล้วอันกิเลสอื่นๆมันก็เบาบางลงไปตามกันมันเป็นอย่างนั้น ถ้าหากว่าทิฐิมานะอันนี้มันยังแข็งกระด้างอยู่มันยังมีกำลังมากอยู่ในจิตใจของคนเราแล้วก็กิเลสอื่นๆมันก็พลอยมากไปตามกันเลยข้อนี้เราก็ต้องพิสูจน์ให้มันเห็นด้วยตนเองถ้าไม่พิสูจน์จะเห็นด้วยตนเองมันก็จะไม่ยอมเชื่อและปฏิบัติตามเป็นองั้น <c oughs> ความเป็นพ่ไม่รู้ธรรมของจริงอันนี้แต่มันเป็นปัญหาใหญ่โตที่เราต้องแก้ไขกันอยู่เรื่อยไปโลกมนุษย์เราเนี่ยมันเบียดเบียนกันต้องได้ตรากฎหมายออกบังคับถึงกขนั้นมันก็ยังไม่ฟังมันยังไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวโทษ ไม่กลัวคุกคาตารางยอมร่วมกฎหมายไปเขาจับได้ก็เอาไปติดคุกติดตารางไม่จะทนทุกข์ทรมานอยู่ในตารางมันก็ไม่ไม่ไม่ค่อยจะละพยศอันไรนะันส่วนมากนะเพราะว่ามันไม่รู้ทำดังทุกวันนี้ทางการยึดใ น, นมตลพระ ไปแสดงธรรมในคุกในตรงังบางแห่งไปหัดให้นักโทษนั่งสมาธิภาวนาก็รู้สึกว่าได้ผลสมควรผู้มีปัิญัยมันก็นั่งสมาธิใจสงบลงได้เนี่ยเมื่อมันได้ฝึกผลจิตใจได้อย่างนี้นะคนจากคุกไปก็อาจจะกลายเป็นคนดีไปได้เพียงในปฏิคุกอยูยเย่เฉย ไม่มีการอุรมทางจิตใจนี่มันยากอยู่ดอกมันจะหายระเยอะอะไรนะออกจากคุกไปแล้วก็ไปทำชั่วของเก่านั่นแหละอีกบางคนต้องเข้าไปติดคุกตั้งสองสามครั้งก็มีเพราะฉะนั้นจึงว่าธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องกรอบเก่าขัดเกลาจิตใจของคนเราดีกว่ากฎหมายทั้งหมดในโลกอันนี้ นังนั้นนะ่ะพระศาสดาของเราอุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลกพระองค์ฝึกผลคนเป็นจำนวนพันพันหมืนม่นหมื่นพระองค์ไม่ได้ใช้อำนาจบารใหญ่อะไรเลยไม่ได้ลงอา ญ, ญาแก่ผดดู้ใดถ้าใครทำผิดหมดบัญญัติที่พระองค์บัญญัติไว้อย่างร้ายแรง อย่างนั้นก็ให้ออกจากหมู่ไปซะเท่านั้นเลยอย่าไปอยู่กับหมู่นี่ฉะนั้นก็ให้สึกไปครองเรือนตามเดิมซะนี่การลงโทษของพระ อ, องค์ไม่มีคุกขาตารางอะไรเลยพระองค์อาศัย ธรรมะที่พระ อ, องค์เจ้ารู้แจ้งเห็นจริงนั่นเองทรงสแสดงความจริงให้ผู้ฟังได้ฟังผู้ฟังนั้นได้มีบุญวาสนาในอบรมตนมาแต่ก่อนได้เคยฟังธรรมมาอย่างนี้พอพระ อ, องค์เจ้าทรงสแสดงธรรมเกี่ยวกับความจริงของชีวิตผู้ฟังมันก็ฟัง ไปพิจารณาเห็นตามไปบางท่านก็เลยบรรลุคล้นจากกิเลสตัณหาไปได้ในขณะฟังธรรมในบรรลุโลกุตรธร ร, รมแปลว่าทมเหนือโลกเช่นนี้คนไอพระสาวกเหล่านั้นหรือว่าทายุทกายิกาเหล่านั้นได้เห็นธรรมของจริงแล้วยิ่งเขารบภาษาตรดา มากขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีทางที่จะประมาทเลย น, นี่แห่ะพระ菩 า, าสดาทรงทรมานสัตว์โลกไม่เหมือนอย่างชาวโลกเขาทรมานคนอันนั้นผู้ใดประพฤติผิดกฎหมายที่เขาตั้งไว้แล้วก็จับไปฟ้องลงศาลก็ตัดสินติดคุกติดตารางทรมานตนมีเจ้าหน้าที่ควบคุม ให้ทำการทำงานไม่มีอิสระในตัวเลยได้รับทุกทนทรมานนี่โลกเขาลงโทษคนผู้ทำผิดแต่พระศาสดานั้นไม่เป็นอย่างนั้นองค์แสดงธรรมบัญญัติเขาอยู่ในห้ามให้ประพฤติถ้าหากว่าไปประพฤติร่วง วินัยขั้นต่าก็เอาให้รู้เห็นโทษของตัวเองจนในร่วงแล้วก็ขอแสดงต่อหน้าภิกษุด้วยในรูปนึงแล้วก็ข้นโทษนั้นไปได้แต่ถ้าหากว่าไปคิดเห็นว่าเอาเราร่วงหละที่ข่าบทนี้เมื่อร่วงไปแล้วเอาไปแสดงอย่างนี้บ่อยๆไม่มีทางพ้นอันนั้นนะเพราะว่ารู้แล้วผืนทำลง มันก็เป็นโทษบ่อยๆนั่นเนี้ยไม่ใช่ว่ามันจะละได้มันจะลดมันจะหมดโทษเมื่อใดคำแสดงอาบัตแลก็ว่าไปยอมสารภาพต่อหน้าเพื่อนพิสุผมได้ต้องโทษอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยขอแสดงต่อท่านวันนี้ท่านผู้เลาก็วว่าท่านเห็นโทษเจ้าของแล้วหรือเห็นแล้ว เมื่อท่านเห็นท่านของตนแล้วต่อไปให้สำรวมระวังนะอย่าไปล่วงอีกแล้วก็รับอดีแล้วต่อไปเข้าเจ้าจะสำรวมระวังอย่าไม่ล่วงอีกวันนี้ถ้าหาตอนไปเจตนาลน่วงอย่างนั้นมันก็ไม่พ้ น, นแสดงอาวัตรก็ไปพ้นจากบาปจากโทษนั้นท่านเพราะว่ารู้แล้วผืนทำลงนะแม้เป็นกระดิษฐ์ก็เหมือนกัน เอาไปล่วงศีลวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไปสมทานใหม่สมทานศีลแล้วมันรักษาได้วันเดียวนึงเผไปล่วงล่วงแล้วไปสมทานใหม่อย่างนี้ไม่มีทางมันจะพ้นจากบาปจากโทษนั้นน่ะคนไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าพู้นั้นะมีมายาอยู่ในใจมีเล่ห์เหลี่ยมหวังว่า จะออกจากโทษนั้นนั้นด้วยการทําอย่างนั้นความจริงเนี่ยมันผิดจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้จุดมุ่งหมายก็คือว่าเมื่อตอนได้พลัง้งพลาดได้ล่วงเกินไปแล้วรู้ตัวแล้วก็ตั้งใจสำรวมระวังต่อไปไม่ล่วงอีกเช่นนั้นโทษมันจึงค่อยหมดไปได้เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยคำสอนของอุปเจเา้านั้นนะให้สังเกตดูพระองค์แสดงเพื่อให้ผู้ฟังได้เห็นโทษเราเป็นโทษจริงๆอย่างนั้นให้เห็นด้วยตนเองแสดงคุณให้เห็นว่าเป็นคุณจริงๆเป็นคุณความดีจริงๆ ให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองความมุ่งหมายของพระศาธธสดาไม่ใช่ว่าพระองค์จะสอนให้เชื่อตามๆกันไปโดยที่ผู้ฟังไม่รู้จริงในใจเลยอย่างนี้พระองค์ไม่ได้มุ่งหวังอย่างนั้นไม่เหมือนอย่างลทัทธิอื่นลทัทธิอื่นเขาเพียงแต่ ว, ว่าขอให้เชื่อตามๆกันไปแล้วก็ใช้ได้อันนี้ไม่เป็นอย่างนั้น พระองค์แนะนำพ่อสอนให้ปูกฝังในพิจารณาประพฤติปฏิบัติโน้มจิตใจของตนลงสู่ธรรมะให้ได้จริงๆจนว่าขาจัดกิเลสออกจากหัวใจได้จนเกิดงานรู้แจ้งว่ากิเลสอย่างนี้ได้หมดไปจา ก, กจิตใจของเรานี่จนรู้ชัดโดยตนเองอย่างนั้นและกิเลสอย่างนี้ยังอยู่ยังไม่หมดก็รู้อย่างนี้นะ ก็ประสงค์ของพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเพื่อผู้ฟังได้รู้เอง <c oughs> เห็นเองในเรื่องผิดเรื่องถูกขึ้นมาได้ตนเองอย่างนี้ดังนั้นนะให้พึ่งพากันเข้าใจจุดมุ่งหมายแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและความว่าเมื่อพระองค์แนะนำสั่งสอนแล้ว ให้ลงมือประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองไม่มีใครจะช่วยตนเองได้ช่วยกำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากกิตใจนี่นะไม่มีใครช่วยได้เลยต่างคนต่างฝึกตนเองเข้าไปพิจารณาเห็นโทษของกิเลสบาปธรรมต่างๆด้วยตนเองวันนี้ มันนิกิเลตบาปกรรมทั้งหลายก็จิตดวงนี้เป็นผู้สร้างขึ้นมาเป็นผู้ปรุงผู้แต่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะไป้คนอื่นมาช่วยขับไล่กิเลสออกให้นี่มันไม่ได้เพราะตัวเองสร้างมันขึ้นมาตนเองเห็นโทษของมันแล้วก็ละมันเองเา้าว่ายังไม่เห็นโทษมันตราบใจก็จะต้องสั่งสมมันอยู่อย่างนั้นแหละไปแงใครจะว่าเก่า ตักเตือนอย่างไรมันก็ไม่ยอมลดละเพราะมันยังชอบใจอยู่เป็นอย่างนั้นมือยังชอบใจกิเลสอย่างนั้นอยู่แม้จะไปตกนรกหมกไหมก็ยอมเพราะน่ะถ้าจิตใจมันตกอยู่ภายใต้อานาจของกิเลสแล้วียมันยอมทุกอย่างไปเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเป็น บริษัทของพระพุทธเจ้าจแท้ๆอย่าไปยอมให้กิเลสมันฉุดคล้าไปในทางที่เสียหายทางต่ำเพราะว่าพุทธะไปว่าผู้รู้ผู้ฉลาดแต่เราภาวนาพุทโธกันอยู่เรื่อยไปพุทโธไปว่าผู้วานแล้วผู้ตื่นแล้ว วันนี้จุดมุ่งหมายที่ท่านสอนในภาวนาพุโทโธก็เพื่อที่จะให้จิตใจมันเบิกบานเพื่อให้ตื่นตัวว่ากิเลสตัณหานี่เป็นศัตรูของชีวิตนี่อย่างจริงจังศัตรูภายนอกนี่นไม่เท่าไหรหรอกศัตรูภายในคือกิเลสเนี่ยสําคัญมากอืให้มันเห็นแจ้งกระจัดด้วยตนเองอย่างนี้นะ เมื่อผูใ้ใดเห็นว่ากิเลสนี้เป็นศัตรูต่อตนเองก่อทุกข์ก่ อ, อยากให้ตัวเองมาในสงสารนับชาติไมปทวนกับกิเลสนี้แหละองค์ถ้าว่เราได้โอกาสอย่างนี้แล้วไม่เพียรละมันมันก็จะก่อทุกข์ให้ล่ำไปอยู่อย่างนี้แหละดีไม่ดีอืผ <c oughs> ู้เป็นนักบวชมาแล้วขี่ขานทําความเพียร เอาชนะกิเลสยำยานั้นไม่ได้จิตใจมันก็ห่วนกลับไปคลองเรือนอีกกระตกเป็นทากของตัณหาต้องไปหาเลี้ยงรูปเลี้ยงเมียเลี้ยงตัวเองทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนั้นอีกนอกจากหาอยู่หา ก, กินแล้ว ก, ก็ต้องไปทำบาปเข้าไปอีกคบเพื่อนกเกเรต่างๆนานาเข้าไป เลยกลายเป็นคนเสียคนมืดบนอนทการไม่เห็นโทษของบาปกรรมความชั่วร้ายต่างๆหมืนี้นะนี่แหละผู้ที่ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาแล้วมันยากที่จะตั้งตัวให้เป็นคนดีที่จะมาชำระตนให้ของใสเบิกบานเหมือนอย่างเราภาวนาพุโทโธนี่นะ เคยบอกผู้บานแล้วจิตใจจะเบิกบานอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสมันเป็นเรื่องของความเศร้าหมองเป็นของถกงรกระโกรกิเลสนี่นะไม่ใช่ของสะอาดเพราะฉะนั้นเมื่อมาห่มห่อจิตใจมันยังทําใจนี่ให้เศร้าหมองปกติใจนี่มันสะอาดอยู่แล้วผ่องใสตามธรรมชาติเอพระพุทธเจ้าแสดงไว้ทีนี้พอ ใจที่ไม่ฉลาดแล้วมันสร้างกิเลสขึ้นมาหุ่มห่อตัวเองเข้าไปก็ทำให้ตัวเองเศร้าหมองขุ่นัวลงไม่รู้จักว่าบุญคุณโทษประโยชน์แล้วไม่ใช่ประโยชน์อะไรแล้ววานี่นั่นก็เมื่อจิตใจเป็นอย่างนั้นมันก็มักจะทำชั่วมากกว่าทำดีนี่นะดังนั้นพากเห็นโทษของกิเลสต่างๆเหล่านี้ ไม่มีใครนะจะมาช่วยเราได้มาถึงตอนนี้นะทุกคนต้องช่วยตัวเองต้องเห็นโทษของกิเลสตัณหานี่พาให้ตนเป็นทุกข์มาในสงสารมากมายนี่ต้องเห็นด้วยตนเองอผู้อื่นเห็นให้ไม่ได้ตัวใครตัวเราเมื่อผู้ใดเห็นโทษของกิเลสแล้วมัก็ไม่ประมาทแล้ววันนี้ตั้งความเพียรความพยายาม ละกิเลสไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดจะสิ้นไอ้ผู้อื่นพวกก็ช่วยเราได้เพียงครั้งเป็นคราวอย่างนี้แหละอย่างที่เรามาชุมนุมกันในศ า, าลาแต่ก็ได้แนะนำตักเตือนบอกอุบายวิธีละกิเลสตัณหาให้เมื่อผู้ใดจำอุบายเหล่านี้ได้แล้วไปลงมือปฏิบัติตาม มันก็ย่อมจะเป็นไปไม่มากก็น้อยแหละย่ยอมได้รับผลนะทำให้กิเลสเบาบางลงไปอย่างเช่นแสดงว่ากิเลสตัณหาความโลภโกรธหลงก็ดีบุญกุศลต่างก็ดีมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานอย่างนี้นะถ้าใจชอบทางบุญกุศลแล้วมันก็นอกไปทางบุญทางกุศล มันก็ละกีเลตบาปธรรมออกไปเรื่อยๆเมื่อมันไม่ชอบทางบาปอากุศลต่างๆแล้วน้อมใจไปทางบุญกุศล ใ, ใจมันก็เบิกบานผ่องใสไปเรื่อยๆหรือว่าบุญบาปมันมีใจเป็นประธานเมื่อใจน้อมไปทางไหนใจสร้างบุญกุศลขึ้นมาบุญกุศลก็มาทาใจนี้ให้ผ่องใสเบิกบานได้ อย่างนี้แนหะถ้าใจชอบบาปอากุศล น, น้อมไปในทางบาปอากุศลสร้างบาปอากุศลให้เกิดขึ้นอย่างนี้บาปอากุศลเกิดขึ้นผู้หมอจิตใจนี่ก็เศร้ามองขุนมัวไปก็เลยกลายเป็นคนเรียกว่าคนอาภัพไม่มีวาสนาที่จะหลุดพ้นจากกิเลสาปรธรรมไปได้ เพราะว่าไม่มีปัญญาที่จะละกิเลสมาทำเหล่านั้นออกจา ก, ก จ, จิตใจชีวิตมันก็มีแต่ตกต่ำมีแต่สเสวยทุกข์ทรมานเรื่อยไปอย่างนั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปเพ่งเล็งอย่างอื่นเลยให้เพ่งดูจิตดวงเดียวเท่านี้แหละให้สังเกตดูจิตดวงนี้เท่านั้นเน มันสร้างกิเลสอะไรขึ้นมาบ้างหรือมันไม่สร้างตัวเองสังเกตตัวเองก็รู้ได้แต่ถ้าตนเองมีสัสมาทิจิตอยู่เสมอมีสติสมัชฌัญยัประคองจิตนี้ให้สม่ำเสมออยู่อย่างเนี้มันก็ไม่ได้สร้างกิเลสบาปธรรมอะไรขึ้นมามีแต่มัน มีความรู้ความเห็นที่เคยได้อบรมปัญญาให้เกิดมีขึ้นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นแล้วแปร้ววนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนถ้าความเห็นมันปรากฏในขึ้นมาขั้นนี้แล้วมันก็เลยบาปมักกรรมความชั่วร้ายต่างๆนัน้นมาแล้วจิตเลอมันมาถึงขั้น กิเลสส่วนละเอียดที่ท่านเรียกว่าอัตมิมานะความถือตัวถือตนถือเราถือเขาความถือขันหนห้าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมัเนี่มีแต่มาทำลายความเห็นอันนี้นะให้มันระงับดับลงไปอย่าให้ความเห็นที่ว่าร่างกายสันห้านี่เป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาให้ความรู้ความเห็น ทิฏฐาสีขันธ์ห้ า, า 4, ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นมาแทนแล้วก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้เป็นหลักไว้เมื่อเหตุอะไรมาถึงเข้าก็รู้เท่าทันเหตุนั้นนั้นว่ามันมีความเกิดขึ้นแล้วประดับไปไม่มีอะไรเป็นแก่เม็นสารไม่ถือมั่นไวในใจ เมื่อเป็นเช่นนี้ความทุกข์ทางใจแต่ละวันแต่ละคืนมันก็ไม่มีก็เลยเป็นคนห่างไกลจากทุกข์เพราะว่าละเหตุแห่งทุกข์เลืออ่อยไปอารมณ์ใดเรื่องใดที่มันจะก่อให้เกิดทุกข์ใจเรารู้ทันมันลเราละมันเลืออ่อยไปอย่างนี้นะแล้วใจมันจะเป็นทุกข์ได้ยังไงวอนี้มันก็ไม่ทุกข์เลย ที่ใจม็นทุกข์ก็เพราะว่ามันยึดอารมณ์ที่ปีพิษต่างๆไว้ไม่ยอมละไม่ยอมปล่อยวางมันถึงได้เป็นทุกข์ใจนี่นะดังนั้นให้พากันสร้างอกสร้างใจปฏิบัติตามคำสอนของเจ้าที่นำมาแนะนำสั่งสอนนี้